และถูกต้องในกระบวนการของจิตใจเพื่อจะไปสู่ความโกรธนั้นมันเป็นเสมือนว่ามีการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในใจของเราผู้ต้องหายืนอยู่ในคอกจำเลยในศาล ใ, ในใจของเราเราเป็นอัยการเรารู้อยู่แล้วว่าจำเลยผิดแต่เพื่อความยุติธรรม